พรอ ม, มาจยโธกากติปปิสขันปีกันสัญญนจิปวังไยายัตาตาสันติอาสัตประจาคาธิกาเดเสตุธรรมมังนุกรรมปิวังปัจจังวันนี้ได้นับว่า เป็นวันที่พวกเราท่านทั้งหลายคณะญ<ย>าติพี่น้องของโยมเท رم พลประเสริฐโยมเท رم พลพลประเสริฐเนี่ยรู้จักหลวงพ่อมาตั้งแต่หลวงพ่ออยู่วัดป่าบ้านตาดและจากนั้นก็ได้ออกไปอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยพอจะทําทําประตูวัดหรือโครงเหล็กหลวงพ่อจะทิศคิดถึงโยมเท رم ก่อนเพื่อนเพราะเขาทําอะไรทําดีในยุคสมัยนั้นก็ หาผู้ที่จะทําประตูเหล็กแล้วเชื่อมเหล็กเนี่ยหาได้ยากมากแล้วก็มีอุปกรณ์ในการเดินทางอีกมีแต่เขาทําในบ้านในเมืองแต่โยมเทอมไม่ออกไปทําถวายตามวัดต่างๆโยมเทอมจะออกไปทําตามวัดต่างๆที่ครูบาอาจารย์ประสงค์โยมเทอมจะพาลูกน้องไปทําและก็ทําอย่างดีด้วยถ้าทุกวันนี้ ประตูของโยมเทอมที่ทำให้ยังใช้ตลอดมาเหมือนกันแต่ตามวัดต่างๆที่หลวงพ่อไปเห็นถ้ามองดูจะรู้ได้เอออันนี้ฝีมือในช่างเทอมฮะนี่แหละคือโยมเทอมเนี่ยเป็นที่รู้จักมักคุ้นกับครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ที่เอาจะเอาเก็บ ศพของโยมเธอไม่นานเลหลงพ่อว่าคงจะมากกว่านี้นะอันนี้แปลว่าแบบกระทันหันที่ท่านมรณภาพเมื่อวันที่สิบมกราคมวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสิบหกวันเนี้ยวันที่สิบหกวันนี้และก็วันมรณภาพวันที่สิบที่ผ่านมาไม่กี่วันอายุของโยมเธอมเนี่ยถ้าจะว่าน้อยก็น้อยไปนะแต่จะทำยังไงได้ท่านเอามาเพียงแค่นี้ ท่านเกิดเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2488 2 4ส8องนี่ดดเป็นวันเป็นปีเกิดของหลวงพ่ออินนะถ้าจะว่าไปแล้วโยมเทอมกับหลวงพ่อนะอายุเท่ากันอายุห6สิอายุสิบปีแต่อย่างน้อยไปแต่ท่านก็รู้สึกว่าเป็นผู้มันขยันที่จะตั้งรับตั้งฐานได้ ที่จะมากอยู่ในเมืองได้เนะี่ยไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะหลวงพ่อเห็นแล้วโยมเทอมเนี่ยเป็นผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อครูบาอาจารย์และก็ความหมั่นความขยันของโยมเทอมหนะึ่งเลิศเลอทีเดียวเลยแต่ขาดช่วงไปช่วงหนึ่งที่โยมเทอมได้ไปอยู่อเมริกาเห็นว่าท่านโยมเทอมเป็นหัวก้าวหน้านะท่านก็อยู่เมืองไทยแล้วไปเห็นว่าทางนู้นหาเงินได้ง่ายกว่า ท่านก็ไปอยู่อเมริกาอยู่หลายปีพอสมควรหลวงพ่อก็มีแต่ถามข่าว่าวว่าโยมเทอรมไปที่ไหนต่อมาก็เห็นแม่บ้านเอมากลับมาจากนั้นก็ไม่นานก็เห็นโยมเทอรมมาและครั้งล่าสุดนี่สิครั้งล่าสุดนนเมื่อวันที่สิบวันที่สิบธันวาที่วัดป่าบ้านใหม่ทาบุญครอครบวันมรณภาพสองยายเหมือนั้นแ โยมเทอมก็ได้ไปพบหลวงพ่อในวันนั้นถ้าจะว่าไปเหมือนกับไปสั่งลาอย่างนั้นน่ะพอมาคิดดูเดี่ยวนี้นะพอมาคิดดูเดี๋ยวนี้โอ้โยมเทอมเ์มไปเจอกันแล้วก็คงจะไปสั่งลาสั่งลาหลวงพ่อว่างนั้นะแต่วันนั้นดูๆแล้วก็ใบหน้าหน้าตากรสดใสนะหลวงพ่อยังมาแปลกใจอีกว่าเอา้าทําไมโยมเทอร์มยังไปเร็วนักเมื่อวันที่สิบธันธันวาที่ผ่านมาก็ยังแข็งแรงดีอยู่ในนา แต่ทาไมไปเร็วนักหลวงพ่อเลิศไปที่บ้านตากก็ได้นิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ได้ให้ท่านพระบอกว่ารับจะมาในงานในวันนี้นะนี่แหละความเป็นมาและความคุ้นเคยกับโยมเทมนะเอมกับฝ่ายครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงพ่อนะรู้จักมักคุ้นกับโยมเทมเอมมานมนานทีเดียวสรุปแล้วก็คือเป็นผู้มีบุญคุณ เออเป็นผู้มีบุญคุณต่อกันแล้วก็ปีไหนหลวงพ่อเนี่ยเมาให้เด็กนักเรียนมาดายญ้าที่วัดของหลวงพ่อเนี่ยกว้าง 1,350 รไร่แล้วก็ปลูกไม้เกือบเต็มหมดต่นี้พอปลูกขึ้นมาแล้วก็จะหาไข่ก็ต้องเอานักเรียนโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอนายูนเผอเผยยังเอาน้ำโสมเข้ามาอีกทีได้สี่หา้าอคน หลวงพ่อเขาเนี่ยได้กําลังสองตายายเนี่ยคุณเทอมกับพวกคณะนี่แหละไปช่วยเลี้ยงอาหารเด็กบางทีกับตำสมแล้วก็บังอะไรบังลาบบังอะไรบังเลี้ยงเด็กนักเรียนนะดูชุกแต่ละครัง้งแล้วดูเด็กนักเรียนอิ่มมีผีมันว่างั้นแต่อายสัคงไอายสักคิมสนุกสนานกันวันไหนไปเลี้ยงเด็กนักเรียนนี่แหละก็ต้องอาศัยกําลังของ ช่างคุณเทอมนี่แหละช่างเทอมนี่แหละพ่อเทอมนี่แหละกับแม่บ้านกับลูกหลานที่ไปช่วยช่วยงานของหลว ง, งพ่อเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงลาลึกถึงบุญคุณอยู่ในที่คุณเทอมยมเทอมได้ทำเนี่ยคือจะหวะไม่ลืมเหมือนกันเะไม่ลืมในบุญคุณของโยมเทอมได้ทําไว้กับพระพุทธศาสนาได้ทําไว้กับครูบาอาจารย์แต่ละวัดโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงปู่เพียรหลวงปู่บุญมี หลวงปู่มหาบุญมีในถิ่นนั้นแหละหลวงพ่อนพิพนธ์หลวงพ่อสดลวนแล้วแต่โยมเทอมโยมพ่อเทอมได้ไปทำคุณประโยชน์ไว้ทั้งนั้นในวัดในถิ่นนั้นเพราะนั้นถือว่าการจากไปในคราวนี้ก็เป็นกะเป็นเรื่องที่สรดสังเวชพอสมควรเพราะอยู่ใกล้อยู่ใกล้เราโยมเทอมอยู่ใกล้พวกเราอยู่ใกล้หลวงพ่อโยมมาโทษเตือน เตือนเข้ามาใกล้ๆหลวงพ่อแล้วงั้นเถะหลวงพ่อก็จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเหมือนกัน่หละแลวเวียงระวังเหมือนกันต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเริ่มพิธีแสดงธรรมแล้วนะที่นี่นะนะโมตัสสะปะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพธธุทธัสสะนะโมตัสสะปะโคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขยะวัวยะธรรมมาสังฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติติวันนี้นับว่าเป็นวันสูญเสียของญาติพี่น้องพันลญาและลูกลูก และญาติพี่น้องที่รักเคารพนับถือในพ่อเทอมพ่อเทอมเป็นผู้หมั่นขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพหมั่นขยันในการทำมาค้าขายประกอบสำมาชีพและก็พร้อมกันก็เป็นผู้ เ, เปี่ยมพร้อมด้วยศรัทธานับถือพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับถือครูบาอาจารย์พระป่าเพราะชนิดสนมมาทางวัดป่าเพราะเหตุไรหลวงพ่อเองก็พอจะสืบต่อสืบเนื่องได้เพราะพ่อเทอมเนี่ยเป็นพวกเป็นอยู่บ้านค้อบ้านค้อนารไารใกล้บ้านน้องกองใกล้ใกล้กลกลวัดหลงปู่เพียรบ้านค้อแถ่บ้านค้อเป็นบ้านที่หลวงปู่มั่น เคยไปจำพรรษาที่แขรเทศอำเภอมันผือก็คือหลวงปู่มั่นไปจำพรรษาที่บ้านขอนารายและจากนั้นก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็ได้ไปสร้างวั ด, วดจําพรรษาดังนั้นวัดนั้นก็นยังสืบเรื่องมาตลอดถึงทุกวันนี้เพราะนั้นญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพ่อเทอมเนี่ย คงจะได้นับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ระดับขั้นรุ่นแรกจากนั้นท่านก็นสืบทอดแนะนำสั่งสอนกันมาให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ให้รู้จักพระคุณให้นับถือพระพุทธศาสนาให้นับถือพระ ร, รมคำสอนของพระพุทธเจา้าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็แนะนำสืบทอดกันมาอันนี้ส่วนหนึ่งหลวงพ่อว่านะ เออส่วนหนึ่งที่ทำให้พ่อเทอมของเราเนี่ยซึงในทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระธุดงค์กรรมฐ า, านสายหลวงปู่มั่นอย่างนั้นถึงท่านจะมาทำวิชาอาชีพอยู่นสาานที่ใดท่านก็ยังนมนมครูบาอาจารย์มาประกอบหรือมาทำบุญไม่ได้ขาดแต่ละปีสมัยก่อนที่ท่านอยู่เมืองไทยถึงท่านจะไปอยู่เมืองนอกก็เถอะท่านก็ยังไปอยู่กับ อาจารย์พ่ะครูเลิศอีกแล้วก็ไปสร้างวัดทางนู้นอีกยังไปมาหาสูยังให้การันการสนับสนุนทางนู้นอีกสรุปแล้วก็คือไปทางนู้นก็ไม่ได้ขาดวัดขาดวาศาสนาอยู่ทางนี้ก็เป็นผู้มุ่งมั่นต่อวัดวาศาสนาเนีเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือโยมเทอมเนี่ยเป็นสัมมาทิฐิเจตพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระเป็นที่พึ่ง ตลอดเพราะนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อมั่นใจถึงโยมเทอมจะล่วงลับดับขันไปโยมเทอมก็จะไปสู่ความสุขคือสุขติก่อนที่เขาจะใจขาดนะเออจะใจขาดแล้วว่าเครื่อกสุดท้ายเขาคงจะไม่คิดอย่างอื่นเขาคงจะคิดถึงคุณงามความดีเขาคงจะคิดถึงบุญถึงกุศลเขาคงจะคิดถึง พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คงจะคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อนที่เขาจะใจขาดหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นเพราะนาทีนั้นเป็นนาทีสุดท้ายของทุกคนทุกคนก็จะต้องประกอบคุณงามความดีต้องคิดไม่มีทางใดทางที่จะคิดต้องคิดถึงคุณงามความดีที่จะมาสู่ตัวเองเพราะนั้นหลวงพ่อมั่นใจว่าโยมพ่อเทอมเนี่ย ต้องไปสู่ความสุขความเจริญในสัมป ร, รายยิ่งภพเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ก็คงจะสบายใจได้หลวงพ่อว่านะแต่ถึงยังไงพวกเราถึงจะทำคุณงามความดีขนาดไหนก็ไม่มีใครที่จะหลีกลี้ยหนีจากความตายไปได้ความตายนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุด เป็นเรื่องที่แน่นอนที่สุดคือความตายสิ่งอื่นเป็นอนิจจ์ของไม่เที่ยงแต่ความตายนี่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่มีใครที่จะหลีกเลี้หนีพ้นไปได้เพราะฉะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงแนะนําสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านกลัวความตายถ้าจะว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ท่านทําไมท่านอยู่ในเวียงวงังมีความสุข สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างถ้าจะว่าเรื่องทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักด์อะไรพร้อมหมดทุกอย่างเพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอายุของท่านก็ยี่ปีอีกกําลังเต็มเปี่ยมด้วยกําลังกายกําลังความคิดกําลังพัฒนาทุกอย่างพระพุทธองค์แต่ทําไมพระพุทธองค์จึงไม่สู้ทําไมจึงถอยหลังทําไมจึงไม่ ยินดีในการคองคราวะถ้าพวกเราศึกษาพวกท่านและพวกเราศึกษาให้ดีแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าเนะคิดอย่างไรท่านจึงหนีออกจากเวียงหวังสรุปแล้วก็คือท่านเห็นความแกเ่เห็นความแก่ของคนในยุคนั้นแล้วก็เห็นความเจ็บของคนในยุคนั้นแล้วก็เห็นคนตายในยุคนั้นพอท่านเห็นความตายของคนเท่านั้นอ่ะใจของท่านก็รู้สึกว่า ไม่อยากจะได้อะไรเลยท่านจะท่านจะต้องหาวิธีหาวิธีว่าจะทํำยังไงจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกนะท่านต้องหาวิธีการที่จะหาอวิธีที่จะหลีหาวิธีที่จะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกจะทําอย่างไรนี่แหละท่านก็นั่งออกไปเอค้นคิดอยู่หลายเวลาเหมือนกันหลายวันเหมือนกันจากนั้นท่านก็ตัดสินพระไทยคือตัดสินใจ ขโมยหนีออกกลางคืนจากเหวียงหวังไปกับ น, น, น, นายชนะจากนั้นก็ไปบําเพ็ญอยู่ในป่าดงถึงหกปีที่ฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีใกลาจากกรุงกบินลพัดถึงเขาว่านทุกวันนี้ประมาณสองร้อยกว่ากิโลนะอยู่ในเขตแขวงกรุงราชพฤกษ์นอแต่พระองค์ก็ไปบําเพ็ญอยู่ที่นั่นถึงหกปีท่านเจ้าแผ่นดิน ไปบมเพ็ญอยู่ในป่าดงโพงพยขนาดนั้นพวกเราคิดตัวให้ดีก็แล้วกันว่าท่านจะมีความลำบากกายลำบากใจขนาดไหนแต่พวกเราออกจากบ้านเรือนไปที่ต่างๆไปสถานที่ต่างๆเปลี่ยนสถานที่เท่านั้นพวกเราก็ยังมีความทุกข์ใจแต่นี้พระพุทธองค์เป็นเจ้าฟ้ามาหากษัตย์แล้วหนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าดงโพงพยไม่รู้จักใครอีกต่างหาก แล้วจะมีความทุกข์ขนาดไหนแต่พระ อ, องค์ไม่ได้ย่อท้อในการค้นคว้าศึกษาพระพองค์ก็ไปอยู่ในป่าดงค้นคว้าศึกษาลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเป็นเวลาทังหปีและสูตรสําเร็จในวันนั้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันนั้นได้ตรัสรู้ธรรมสามอย่างในวันเดือน6กแผ่นคือปุเพในวานสานุตติยานและลึกชาติผลหลังได้ก่อนที่จะรเลึกชาติผลหลังได้นั้น พระพุทองค์ทําอย่างไรพระพระองค์บอกแผนที่นะเขียนแผนที่แล้วพระองค์ทําอย่างไรที่จะได้รัสรู้ธรรมในวันนั้นพระองค์บอกว่าวันนั้นเป็นวันเดือนหกเพนพระอาทิตย์ยังไม่อจฉดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเรานั่งอยู่ตามลําพังนายโสธิยานำหญ้าคามาถวายแปดกำมือเราได้นำหญ้าคาแปดกำมือนายโสธิยะ มาเกลี่ยลงที่โคนต้นโพพอเกลี่ยลงที่โคนต้นโพแล้วเราขึ้นไปนั่งบนหญ้าคานั้นทำเป็นอาสนะจากนั้นเรานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากําหดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออ ก, ออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นๆนนในพวกเราฟังเอาไว้นะเพราะพุทธเจ้าให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี่แหละเป็นกันคุญแจดอกสําคัญอย่างยิ่งที่จะไขเปิดเข้าสู่มรรคผลนิพพานต้องสติพูดอย่างกันได้ถ้าคนขาดสติถ้าคนกินเหล้าเมายาขาดสติแล้วเอจะสู่มรรคผลสู่ผลไม่ได้เรา มีมีแต่เปิดไปทางไปหาไปสู่ความชั่วนะแต่ถ้าว่าสตินี่จะเปิดไปสู่คุณงามความดีเพราะพระ大爷เจ้าตรัสว่าเราตั้งสติมีสติสัมปชัญญะกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกใจของเราพระรยของเราใจของเราความรู้สึกของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่ง สงบนิ่งลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเราน้อมจิตล้ำลึกชาติผลหลังระลึกชาติผลหลังก็คือระลึกถึงเมื่อวานโมงก่อนเดือนก่อนปีก่อนจนข้ามพบข้ามชาติพระองค์บอกวา่าตายแล้วไม่สูญวิญญาณค น, คนเราเนี่ยมนุษย์ชาติสรพสัตทางหลายตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก นี่แหละขอให้พวกเราฟังเอาไว้ถ้าพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนให้นั่งภาวนาแล้วทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญแต่ถ้าพวกเรายังไม่ทำใจไม่สงบยังไม่ได้พวกเราอย่าคาดขั้นเองอย่าเดาเ อ, อ, อย่ามั่วพูดถ้าพูดก็พูดไปยางนั้น พูดไปรับผิดชอบพูดไปรู้พอพูดไปรู้ความจริงมั่วพูดแต่ถ้าพวกเราทําจิตใจให้สงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วนั่นแหละพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเราจะรู้ได้กระทั่งที่ว่าร่างกายเหมือนกับรถส่วนจิตใจใเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละอ่านกันนี่แหละจิตรวมเราจะรู้ได้ด้วยตนเองถึงขนาดนั้นแหละจากนั้น ใจของพระองค์รวมลงแล้วก่อนระลึกชาติทุนหลังเป็นอดีตชาติว่าชาติที่แล้วเป็นอะไรมากมายก่ายกองเป็นหมื่นเป็นแสนชาติอันนี้ก็คือปุเพเนวาสานุสติยานพอถึงเที่ยงคืนจุตตปะ ป, ะปะตาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายคือได้ยานอีกอันหนึ่งเกิดขึ้นมาในระยะเที่ยงคืนว่าจุตตปะ ป, ะ ป, ะปะตาตยานการจุติคือการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปยังไงเป็นมายังไง เรามาเกิดที่นี่มาได้ด้วยอย่างไรแล้วเราจะออกที่นี่เราจะไปอย่างไงนอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็รู้รู้ว่าคนที่มาเกิดที่นี่มาด้วยอะไรพระพุทธองค์บอกว่ามาด้วยกรรมกรรมคือการกระทำถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีจะส่งมาจะมีความสุขถ้าเราทากรรมชั่วกรรมชั่วสมมาเกิดเราจะมีความทุกข์เพราะนั้นพวกเราให้สังเกตดูถ้าคนบ้าใบเสียจิต หหนวกตาบอดเออที่เราเห็นเพราะเหตุไรเพราะกรรมเก่ากรรมชั่วพามาเกิดนะแต่ถ้าว่าผู้ใดเกิดมาแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์อนั้นบอกกรรมดีพามาเกิดนะในพระพุทธญาณว่าตูตูตตป ป, ปตาตญาการกุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้พระองค์ก็รู้ในเวลาเที่ยงคืนพอจวนสว่างพระองค์ก็รู้ว่าอาสาวกยะญาณญาณอย่างรู้ว่า พระ อ, องค์ทําไมจะมาเวียนไหวตายเกิดเพราะอะไรพระ อ, องค์ก็ได้ค้นคว้าศึกษาว่าเป็นเพราะกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสราคะโทสะโมหะทําให้จิตใจของเรามาเวียนไหวตายเกิดเพราะความโลภโกรธหลงที่พระพุทธองค์ก็ได้พิจารณาใช้มักแปคือมักฆะคือการเดินดําเนินสัมมามีสัมมทิฏฐิเป็นเบื้องตน้นเป็นสัมมาสมาทิฏเป็นสุดท้าย ท่านก็ได้สําเร็จได้ตั้รู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันเดือนหกเพนนนั้นนะ่เราขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่ฟังได้ศึกษาว่าหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนานั้นเป็นมาและเป็นไปอย่างไรขอให้พวกเราท่านหลายศึกษาดาูแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของพวกเราแต่อันดับแรกเนะี่ยทีนี้เราจะมาปฏิบัติอย่างไรเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้ว แต่คณะสัทธาญาติรวมทุกหมู่เหล่าที่มานั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยและจะให้พวกผมทํำยังไงจะให้พวกดิฉันทํำยังไงในเมื่อพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดสรู้อย่างนั้นแล้ววิธีการของพวกเราถ้าเราอยากจะเดินตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพวกเราชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยวันหนึ่งมียีสี่ชั่วโมงเราสักขอสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมในยี่สิี่ชั่วโมงนั้นแต่ละวันเราไหว้พระ ตอนหัวค่ําหรือว่าตอนดึกสงัดไม่ให้มีอะไรเราไหว้พระพอไหว้พระเสร็จแล้วเรานั่งภาวนาสัก20นาทีได้ไหมสามสินาทีได้ไหมเอีเราทดลองนั่งสมาธิดูคือกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้ใจเข้าพุทหายใจออกโธคือแต่ละวันในพวกเรามีตะะแต่ส่อแสแหวงหาเครื่องเลี้ยงชีพการส่อแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพก็คือข้าวน้ําโภชนาอาหารหาเงินพูดง่ายๆหาเงินทั้งวี่ทั้งวัน แต่จากนั้นก่อนอนเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตามไม่จริงอาหารกายในส่วนหนึ่งนะอาหารใจอันหนึ่งนะอาหารกายก็คือข้าวน้ําโภชนาอาหารคือเงินอาหารผ้านุ่งห่มยาแก้โรคไฟไข้เจีบที่อยู่อาศัยอันนี้คือเงินส่วนอาหารทางจิตใจนั้นอาหารถวงผู้รู้นั้นอาหารจะเข้าสู่ความสงบนั้นคืออาหารอันหนึ่งไม่ใช่อาหารทางนอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเราต้องศึกษา อันนี้คือเราต้องศึกษาอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ที่ท่านเข้าไปอยู่ปานรงพงไพ่ท่านตะพายกดท่านแบกกดท่านทะพายบาทเข้าไปอยู่ปานรงพงไพ่นั่นแหละท่านเข้าไปหาอาหารเข้าสู่จิตใจของท่านท่านพยายามทําจิตใจของท่านให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งแล้วใจใจมีกํำลังใจมีพลังแล้วท่านจะทําอะไรท่านก็มีแต่ความสุขความเย็นใจ ไม่วิถ ก, ไ ม, กไม่กังวลกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นร่างกายท่านก็รู้เรื่องจิตใจท่านก็รู้นะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราศรัทธายาดยมทุกคนนะไหว้พระแล้วก็นั่งภาวนาภาวนานะไม่ใช่หน้าที่ของพระนะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบพร้มเย็นเป็นจุขต้องนั่งภาวนาว่าการนั่งภาวนาเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราอบอุ่น ไม่ว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาเ่อมซึมในเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเท่าไหร่เราจิตใจเรายิ่งว้าเวเพราะเหตุไรเพราะเราไม่มั่นใจว่าเราออกจากชาตินี้แล้วสูญหรือจะเกิดอีกเราก็ไม่มั่นใจเราจะว่าตายแล้วสูญเราก็ไม่มั่นใจเราจะตายแล้วเกิดเราก็ไม่มั่นใจแต่เอาเถอะนะความไม่มั่นใจทั้งสองอย่างนั้นพวกเราให้ปฏิบัติดูปฏิบัติตามคําคสอนของพระพทุทธเจ้า เราพยายามนั่งสมาธิดูท่านเรานั่งสมาธิจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบได้แล้วนั่นละเราจะมั่นใจในตนเองว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดดีบุญกุศลมีจริงเอเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย อ, อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนโยมเทอมเนเี่นะท่านอายุ66ปีเท่านั้นเองท่านก็จากไปแล้วอขอให้พวกเราตั้งอยู่ในความประมาทอีกสักวันหนึ่ง ออพวกเราเกิดมาทุกคนนะโออยมมาโทษเขาเขียนวีซ่าไว้ให้แล้วพอ เ, เกิดมาปุ๊บเขาเขียนวีซ่าให้เราแล้วเออาไปไปทํามาค้าขายนะและอีกสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะส่งวีซ่าไปให้จะเดินทางกลับกลับต่างประเทศนี่แหละค่าวนี้โยมเทอมได้รับวีซ่าแล้ว เ, ออเดินทางเมื่อวันที่สิบและอีกไม่นานพวกเราก็จะส่งขึ้นเมนขึ้นส่งเครื่องสรามบินแล้ว อ, อจากนั้นโยมเถิมก็หายเงียบไปเลยตเตอมไม่รู้หายไปไหนเอเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะจตายญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะอย่าตั้งอยู่ในความประมาท เ, เขาอย่างเล่าเป็นนิทานเ อ, อเขาเล่าเป็น น, นิทานแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแต่ไม่ไม่มาในพระไตรปิฎกนะเเขาบอกว่าตาแก่คนหนึ่งอายุเจ็ดสิบปีตายไปตรงนะั้นออพอตายไปแล้วทีนี้ โยมบรรทูดทหารโยมมารทูดเขาก็กเกาะแกแค่ว่าเกาะแขนไปเลยอรางนั้นเด๋เออเออเหมือนกับนักโทษอย่างนั้นอ่ะเขาเอาแขนเกาะทั้งสองข้างเลย เ, เดินไปไปหาโยมมรรทูดพอไปถึงแล้วก่อนที่จะไปหา ส, สถานที่โยมมรรทูดของเขาเนะ่ะมันเป็นช่องๆนะ เ, เหมือนกับช่องจะไปอเมริกาไปช่องจะไปอังกฤษไปยุโรปไป ช่องหนึ่งจะไปญี่ปุ่นไปช่องหนึ่งลักษณะอย่างนั้นแหะเอเหมือนเราจะขึ้นไปขึ้นสนามบินเนี่ยไปขึ้นเครื่องบินอย่างนั้นอ่ะเอ่ยมรทูตเขาพาไปแล้วนั้นเถอะเราไม่ต้องคิดหรอยกยมรทูตเขาพาไปเองถึงเขานั้นแหละพอใจขาดป๊บเจะยมรทูตเขาก็เข้ามาล็อกแขนอะไรอ่างั้นเถอพาไปละแต่ถ้าว่าใครมีบุญมีกุศลเขาจะเอารถมารับพาไปแต่คนที่ไม่มีบุญเน่ย เขาผมยมมาโทษเขาจะต้องลักล็อกแขน่ะพาไปตอนนี้พอไปไอตาแกคนนั้ น, นที่ตายอายุเจ็ดสิบปีโมโหอยู่ในใจเพราะงั้นเถอะแบบว่าตายแบบหัวใจวายหัวใจล้มเหลวแล้วก็ตายปุ๊บไปพ่อตายเขาก็ล็อกแขนโอ้ยผมขอคืนคืนไปสั่งเสียอลูกเมียไปสั่งเสียเอพินายกรมพินายกรรมที่ผมมอบให้ใครก่อนเถอะครับ ยมมาโูษเขาไม่หลอกอ้บอกมาพอแรงแนละ้วไม่ฟังไปถึงข่าวแล้วตอนี้ตาแกก็ไม่รู้จะทำยังไงพอไปถึงเขาก็กาะแขนไปคือลูกน้องพอไปถึงเน้เอาไปขึ้นไปไปหาเจ้านา ย, อยพอไปเห็นยมมาโทษใหญ่เขานั่งเหมือนกับนั่งบันลังอย่างนั้นน่ะนั่งเอเตะก็ถามาตำบันเลยงั้นเถอะเพราะมันมีลมอารมโมโหอยู่ในใจบอกว่าท่านยมมาโ ท่านทำไมเอาผมมาเนี่ยทำไมไม่บอกไม่กล่าวผมเลยทำอย่างนี้ทำไม่เป็นธรรมสำหรับผมอย่างมากก่อนที่จะเอาผมมาก็ต้องบอกผมสก่อนเซ่เน่ผมจะได้มอบพินัยกรรมสั่งเสียใครต่อใครในหน้าที่การงานถ้าจะเอามาผมก็ไม่ว่าถึงข่าวทุกคนก็ต้องไปแต่นี้ทำแบบไม่ปรับปรับทำไม่เป็นธรรมทำไม่เป็นธรรมสำหรับผมเลย ยมมาทู่วเขาก็บตบโ ต, ต๊ะเปี้ยงเลยงั้นเถอะเขาถือไม้อันนึง่งไม้อํานาจของเขาแบั้นเถอะเขาะเออเขาะพื้นใส่เลยแบบั้นเถอะเออยมมาทูดบอกว่าเราเตือนมาหลายครั้งแล้วแต่แกไม่ฟังเองจะให้เราเตือนอยังไงอีกแต่แกว่าเตือนที่ไหนครับไม่เห็นบอกผมเลยผมไม่รู้เลยว่าท่านเตือนอะไรยมมาทูดบอกว่า ใส่แว่นตาเมื่ออายุเท่าไหร่คุณใส่แว่นตาเมื่ออายุเท่าไหร่นึกดูสิแต่แกก็บอกเมื่ออายุ4ี่สิบครับนั่นแหละจดหมายฉบับที่หนึ่งบอกไปแล้วแกแล้วนะบอกไปแล้วยังไม่ฟังยังแก้ความแก่ของตัวเองอีกจากนั้นโยมผูทนจดหมายฉบับที่สองฟันลุดเมื่ออายุเท่าไหร่ประมาณห้าสิบครับนั่นแหละ จดหมายฉบับที่สองยงกระทุ่ดเราเตือนไปแล้วฉบับที่สองนะเจ้า่าเราไม่เตือนได้ยังไงต่อไหมก็ถามอีกนั่นแหะผมผมขาวผมหงอกเริ่มผมหงอกอายุเท่าไหร่ประมาณสี่สิบห้าครับนั่นหละจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่ส่งไปให้เตือนแล้วคุณแก่แล้วนะเจ้าแก่แล้วน ะ, ะแก่แล้วก็เจ็บตาย มันไปสายนั้นแ่ะมันเจ้ายังไม่ฟังเจ้ายังดื้อด้านอยู่พอผมขาวเข้ามายังเอาร้รามสีมาย้อมอีกตั้งหากเพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยมันยังหลงละเลิงในมตสงสารจนเกินไปเราเตือนมาแล้วหลายครั้งจดหมายหลายฉบับที่เตือนไปแต่เจ้าไม่ฟังจะว่าเราไม่เตือนได้อย่างไรยมมันทูดเขาบอกนะ่ะไปทหารยมมันทูดเอาไปลงสักระทะเอาลงกระทะจะให้เข็ดงหมนเขาก็เลย ขิ่วปีกไปลงกระท ะ, ะไปลงกระทะเผาเจ้าเพนันเถอะนี่แหละแต่ตอนนี้มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งเดินตามหลังขึ้นไปเป็นคิวที่สองเลยท่านครับคนลงคนนั้นอ่ะใช่ เ, เขาเอเตือนของเขาจริงเอเตือนหลายฉบับจดหมายแต่ผมนีไมไ่ไม่ได้เตือนเลยฟันของเขาผมก็ไม่หลุดผมของเขาของเ่งหงตาของผมก็ไม่ได้แสวว่น แล้ผมทำไมเอาผมมาจมมาทูกเก็บอกว่าการเตือนของเราเนี่ยมีหลายอยา่างแล้แตะ่แกมีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมอายุเท่าไหร่เขาตายครับอายุประมาณยี่สิบสามครับแต่แกเดี๋ยวนี้มีเท่าไหร่ยี่สิบสี่ครับก่อนเขาตายเขาเป็นอะไรเขาไตาวายครับนะแล้วเธอตายเยพราะอะไรเพราะวันนรกครับเนี่ยแหละคนพื่กรเพื่อนของแกตายเนี่ย ทำไมเธอจึงไม่ลำลึกถึงว่าโอ้อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าก็จะต้องตายเหมือนกับเพื่อนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ควรประมาทข้าพเจ้าควรจะสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะตายจริงๆริงคนเรานี่เกิดมาตายแน่ๆอานาญยังอนุเป็นเพื่อ น, อนๆกันก็ยังตายเนี่ยทาไมเธอจึงไม่คิดอย่างนั้นอันนี้ทําไมหลงละเลิงอยู่ไม่คิดว่าตัวเองจะตายเน่วันนี้เธอตายแล้วเอายุ24ปีเอาเธอ แต่เธอยังน้อยอยู่ไม่ได้ทากรรมอะไรไว ม, มากอ่าไปไปหาเกิดซะต่อไปอย่าประมาทนะใ้สั่งสมคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกิดมาแล้วตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงตายแล้วไม่สูญยมมาทูดเขาสอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราคณะทายาิโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่ได้ฟังหลวงพ่อพูดต่วันนี้พวกเราจดหมายโยมมาทู เตือนเตือนมากี่ฉบับแล้วนะให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมประกอบคุณงามความดีเอาไว้ถ้าว่าเราไม่ได้มีคุณงามความดีเมื่อโยมมรทูตจะเอาไปจริงๆพวกเราจะพิต ก, กังวลท่นีเพราะเราไม่ได้เตรียมเครื่องสเบงสเบียงเดินทางสะเบียงเดินทางเราไม่มีเราจะทำยังไงเราพวัคพวนพนพวกหน้าพวบนหลัง เพราะเหตุไรเพราะเงินในกระเป๋าไม่มีแล้วจะเดินทางต่างประเทศอีกต่างหากนี่แหละคนไม่มีบุญก็เหมือนกับคนไม่มีเงินคนไม่มีเงินเหมือนกับคนไม่มีบุญถ้าว่าพวกเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเราไปต่างประเทศไปด้วยความอบอุ่นไปด้วยความมั่นใจเพราะเหตุไยไปข้างหน้าก็มีบุญมีกุศลมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วเพราะนั้นขอให้คณะจตทายาตรยมพบมู่เราแต่ทางนี้ท้งนั้น หลวงพ่อไม่ได้เอาความตายมาขู่นะเ อ, เอาความจริงมาพูดให้ฟังไม่ใช่เอาความตายมาขู่เอาความจริงมาพูดให้ฟังตายแล้วไม่ศูนย์เราจะจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูญให้นั่งภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพานั่งหรือพ่อแม่กูบายจาย์ท่านพานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก จิตใจของเรารวมเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครดูเข้าไปดูที่ใจของเราแล้วร่างกายเป็นส่วนหนึ่งส่วนจิตใจนั่นคือนามธรรมนั้นจะเห็นได้ชัดในตัวของเราคือนามธรรมกับรูปธรรมอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันแต่รูปธรรมในแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟอย่างตู้เทอมเนี่ยนะะตู้เทอมเนี่ย เ่ละอีกไม่นานเนีเราก็จะเอารูปรูปประธรรมของท่านขึ้นไปไประชุมเพลิงแล้วส่วนนามธรรมที่ออกจากร่างความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นน่ะจะไปสู่สุคติเอที่ท่านได้ทําสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้แล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทอย่างคำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านก่อนที่จะปรินิพานในวันเดือนหกเพ็ินเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าประสูตรตัดรู ปรินิพานวันเดียวกันคือวันเดือนหกเพนจวนสว่างวันเดือนหกเพนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสงฆ์ทั้งหลายว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเน่ขยะวยะธรรมมาสร้างฆาราเนี่ที่ยงหลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาสิตเบื้องต้นว่าขยะวยะธรรมมาสร้างฆ่าราอัปมาเดนะซัมปาเดธาติ ขยะวยธรรมมาสร้างฆ่าราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้นี่แหละสังขารคือร่างกายของพวกเราทุกท่านเนี่ยจะต้องตายในที่สุดเนีขยะวยธรรมมาสร้างฆ่าราอัปปามเดนะซัมปาเดธาติขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ประโยชน์ตนเกิ อ, อย่าให้ขาดตกบกพ่องในการทํามาหาเลี้ยงชีพสัมมาชีพทั้งหลายการทํามาค้าขายสัมมาชีพเกิดสัมมาชีพคือไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่ฆ่าคนอื่นไม่คดไม่โกงคนอื่นหาเลี้ยงชีพโดยสุดจริตธรรมอันนี้ว่าประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ท่านเมื่อเราได้รับเลี้ยงดูตัวเองเพอสมควรแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมช่วยโรงพยาบาลช่วยลงลำ้ำลงเรียน อย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยพยายามนะพยายามประโยชน์ตนหลวงพ่อพยายามทําเต็มที่ส่วนประโยชน์คนอื่นก็อย่างวันที่14ที่ผ่านมานะหลวงพ่อก็ได้มอบเครื่องมือแพทย์ให้แกโรงพยาบาลสูอุณรอนของเราเนี่ยเครื่องผ่าตัดหัวใจล้านสี่แสนแล้วก็เครื่องทางหัวใจห้าแสนแล้วก็ เ, เครื่องช่วยหายใจอีกหกแสน ปอดวัชใจเทียมอีกล้าน3รวมและเป็นเงิน5 9 5ล้านหมืนบาทมอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์อุดรเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเนี่แหละประโยชน์อื่นคนอื่นหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามประโยชน์ตนหลวงพ่อก็พยายามทำให้เต็มที่เหมือนกันและก็วันนี้ก็ได้มอบรถเทียบมบล์แลให้แก่โรงพยาบาลอำเภอหนองพอก จังหวัดรนะ้อยเอ็ดคันหนึ่งนะวันนี้นะ่ะมอบที่บันดาลนะอันนี้ก็ราคาล้านห้าเหมือนกันก็มีคนมีหมูบีเพื่อนของหลวงพ่อนะ่มอบให้แล้วก็ให้โรงพยาบาลไปนี่แหละอันนี้ก็คือประโยชน์ท่านก็อย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่พอจะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้พวกเราก็ช่วยเนะเพราะนั้นพระบาลีที่หลวงพ่อได้ยกเบื้องต้นว่า ขยะวยะธรรมมาสร้างฆ่าราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดธาติสั้งขานทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายยึดทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างเป็นบรรทัดที่พวกเราจะนําไปประพฤติปฏิบัติพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจถ้าพวกเราปฏิบัติถูกต้องแล้ว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 อย่างที่หลวงพ่อได้ให้ทำเป็นทานในวันนี้การให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงหลวงพ่อจะมอบการแสดงธรรมและบุญอานิสงในการแสดงธรรมให้แก่ดวงวิญญาณของพ่อเทิมนะและก็ขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากหลวงพ่อที่ได้บาเพ็ญมาและก็ขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องทางหลาย